อางต้นอาที่หนึ่งถึงเราปฏิจจ์เราลึกถึงคุณพระพุทธองค์พอเราเลึกไปพระคุณในลวดลัดนี่พระคุณเมตตาคุณกรุณาคุณวิสุทธิคุณแต่ลวแต่เมตตาคุณก็ดีใ น, น, นปัญญาคุณวิสุทธิคุณก็ดี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 ส, ส่งพิสดาอิทธิพิโสสุปฏินนัอิทธิพิโสพระะว่ารประมาทพระโตเป็นต้นเราลึกถึงคุณโดยลำดับหรือหากว่าเราตั้งจิตทดลองเฉพาะคุณของพระเจ้าแล้วเราลึกกับคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์เพราะเรานถึงคุยเศษอย่างนี้เอาโลกเป็นอารมณ์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 แม่แน่นจิตตั้งมั่นเม่อโรมันเดียวไม่คิดนม่สงสยนนัยไปมาหน้าหลังเพราะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็ถึงคุณชื่อทำเพื่อทำนั้นแม่ของสูงสุดแนะนำทําสอนตัเกเตือนเราให้ใบกะขวดชั่วทำดี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 สิ่งของสูงสุดพี่พระเจ้าขโรปธรรมเหมือนกันพระพเจ้าพิจารณาดูแล้วคนในโลกนะั้นคนเราเกิดมาในโลกถ้าไม่มีความขโรปไม่มีที่ขโรปนับถือไม่สบายตัวไมเกเป็นสุดพระองค์คิดนาเห็นอย่างนี้ยิานดาเาลยแต่ขโรปใครเนอะ ข้ารบไปอินโรพงศ์ข้ารบไหนก่อนพระองค์สูงกว่ามดคิดถึงไปทำนนพระองค์มาจจะน่าคุยเจ้า้าทรมอย่างนี้แหละสูงสุดกว่าจงในข้ารบไปทำเราเขา้ารบไปถามคำสอนนั้นที่แม่นาคำสอนเราแล้วนะให้ดี จิให้ดีเป็นผู้เป็นคนมาได้ก็โดยก็ทำได้แทะก็ ท, ทำยังข้ามสอนกระทั่งถึงผู้ภาวนาจิตแบบเวแน่เป็นมีสตตาจิตเอกตาลมแล้วข้มสอนเป็นผ้าในนี้สอนเอราเป็นเสียงสอนใช่ไหมคันี่ทำให้เรารูจากดีจักชั่วจากดีจาก ท, ทุก ศาสน า, าพระเจ้าเขาสอนพระเจ้าไม่สอนศาสนาพระโคดมแล้วพระเจ้ามิพานแล้วชาวโลกทั้งหลายทา่านก็มิพานแล้วถึงแม้เป็นรูปพระสาวกก็ดีรูปพระเจ้าพู้ที่เจ้ามาสอนก็ดีอันนั้นเป็นแต่มีนิดเป็นผ้าไม่นิดแท้จริงเอาธรรมะนั่นนะ คือคําสอนท่านมาสอนเราแล้วนะเป็นของประเสริฐสูงสุดเป็นของจริงของจังมันเรียกว่าประธานมาสอนเมื่อไปถือพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นผ้าพระพุทธเจ้าก็จะไปถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนะคนไม่เห็นธรรมคนนั้นเห็นเร า, า, รเาเก็นเลยเป็นผ้าพระพุทธเจ้ามาเฉยนี่แหละ แค่ที่จริงขระองค์ผ่านแล้วพาะสาวกผ่านแล้วไม่ห่วงอะไรตัวของเราอยู่นี้ดาวนี้ดีมันประกอบด้วยกิเลสตาพระธรรมโลพันธ์ในโลกอันนี้พระธทับ เ, เนด้อเมตตาเข้ามาสอน ผู้ไดถึงธรรมแล้วยังคอย ม, มาสอนผู้ไม่ถึงธรรมก็ไม่มาสอนถ้ธรรมเป็นของสิ่งอย่างนี้ถ้าสงฆ์สาวกทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกลงปฏิบัติเป็งไปเพื่อคนจากทุกข์ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นแนหะ หมดนำให้ท่านถึงซึ่งธรรมะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติโกงมาสอนพวกเราถ้าไม่ใช่พระสงฆ์มโนนันมาสอนก็ไม่มีใครสอนไม่มีครสฎีศาสนาสืษฎศาสนามากทั่งทุกวันอย่างนี้แล้ว 2, สองพันกว่าปีเราเลี้ยงเราจะพระสงฆ์ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติคงปฏิบัติพวกคนที่อยากทุกข์นั่นแหละมาสอนพวกเราแล่อคราวนี้เราคิดถึงคุณของท่านเาตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สอนคนอื่นต่อไปอีกก็เป็นเรื่องสืบต่อพุทธศาสนาไปยืนนาน พระพุทธะธรรมสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นของเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าถ้า ม, มีพระธรรมวสังก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์สาวกขั้นท่าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เป็นพระสงฆ์า ส, สาวก ไ, ไ, ได้ ปฏิบัตีก็คือปฏิบัติทำทำยังไงของกลางเละสูงกว่าคือประทับประสงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันม่ได้แยก ก, กันหรอกถ้าแยกออกไปนะเป็นส่วนหนึ่งต่างหารตรงสมุปปัญญาต่างห า, ากผู้ใดเจ้ากับลูกเขาทำนั่นแหละนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระสงก็สงก็ทำมันนั่นจึงเป็ น, น พ, พระพุทธเนจ้เเา เป็นองคเดียวกันถ้าพูดเป็นส่วนเป็นส่วนข้างแง่ของ้ขออกเป็นสามท่านเรียวกว่าพุทธธรรมประสงค์คราวนี้เรากราบกราบครัง้งหนึ่งให้เรา ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้า เ, าเป็นส่วนนี้ก่อนเแง่เป็นส่วนนี้ก่อนกราบสองครั้งที่สอง ล, ลึกถึงคุณธรรม ทั้งที่สสงแล้วลึกขึ้นคุณประสงค์สามอย่างค่อมั่นคงเพราะกายของเราเพราะวาจางเราจนสิ่งที่ส่อแสดงให้เห็นให้นคนอื่นเห็นได้เพราะเรามั่นค ง, งเรากราบไหว้พรประธามประสงค์มั่นคงดีแต่คนโดยสวนมาก กราบลงหัวกราบลงแล้วมือลงทึงพื้นแล้วหัวก็กราบลงแล้วแต่าตามองไปโน่นก็อื่นนกเลยก็เล็กไปโน่นบางทีปากพูดอยู่กราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปากพูดพันพันพันไม่หยุดไม่ย่อนมันก็ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไง เลยตายทัืงของเล่นพราผู้ธรรทานพระสงฆ์และกายเันเครื่องเล่นไปไม่ใช่อามาเล่นพระผู้ประทระสงฆ์ล้วถือไม่ใช่ถือเล่นถือเอากันจริงๆอย่างจริ ง, ง, งให้เขาทั้งจิตถึงใจจนให้เห็นคุณค่าประโยชน์ หรือเห็นคุณค่าประโยชน์ของการถือนั้นจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวให้เราชาตินาอิสลามเขาไหววันหนึ่งตัดสามครั้งสี่ครั้งเขาไหวพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือทำอะไ ร, ระ ด, ดพร้พระเจ้าช่วยเหลือหมดทําดีพระเจ้าช่วยเหลือทำศูนย์พระเจ้าช่วยเหลือเขาก็า เอาให้เจ้าสปนที่พึ่งแต่เขาทำดีเขาทำดีมากเท่าแล้วพระเจ้าก็ช่วยมากกท่านั้นที่จริงเราเราเนะี่ยทำเขาพูดเฉยๆนะเขาพูดนอกอพระเจ้ามาช่วยมันเราทำดีด้วยตนเองนั้นมันจะไม่ดีกว่าหรือทำดีพระเจ้าก็มาช่วยทำช่วยพระเจ้าก็มาช่วย เราทำด้วยตนเองมันดีกว่านั้นนะครัวขงศาสนาพระเจ้าว่าเราทำดีก็ดีทา่านก็เลยกลัวมัเลยขี้เกียจทำทั้พระเจ้าไม่ช่วยนี่เอถือศาสนาไม่ถึงเกณฑถือศาสนาไม่ได้ผลประโยชน์ถือศาสนานอกทาสไม่ได้ผลประโยชน์กราบให้โทษอีก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 นั่นก็เป็นคุณประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าคนสมัยนี้เขาเรียกคนบวดมาเอาเปรียบเขาเอาเปรียบชาวบ้านไอคนนี้ว่าเอาเปรียบชาบ้านมันก็เสรม จ, จริงความขาวา วบ้านชาวเมืองก็ ม, ททมีอะไราาทาบุญทำทานข้างเมืเราแค่หามาทําบุญทำทานเมื่อเงินเมื่ อ, อทองเราเข้าของสิ่งในทั้งสองหมดแต่ว่าถ้าชาวกระสงเป็นคนสะสมคนบวชในสาสนาเป็นขาวเป็นสีเป็นสะสมออกผู้บวชเกกับผู้ฉลาด ผูวัวเลย ก, กลายเป็นคนสละศเขางนอนสระเราเป็นคนฟาสมยิ่งร้กว่าชาบานซะอีกจึงว่าเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยแก่พุทธศาสนาคนชนิดนั้นเรียกว่าทำดีนี่คือเพราะไม่มีการทำดีไม่ว่าทำดีทำดีแต่ เป็นเดชเขาเราเป็นเดชพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรไม่เช่แต่ไม่ทำดีเรื่องมันทำดีไม่คุ้นเพราะฉะนั้นแหละเบื้องต้นการไหว้คุทธินกรตนาปัยยังคอยไหว้ให้ถูกต้องให้ทราบซึ่งเขาถึงใจจริงเพราะคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจของตน ไม่ได้แน่แก่ออกไปจากใจถ้าคุณตั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจแน่วแน่อยู่องค์จิตที่มันสิดไปท้งอื่นม่นไม่ใส่คุณพระธรรม พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระธรรมพระสงฆ์ให้แน่วแน่อย่างไหนที่นั้นทั้งสิ่งที่ใช้สาระประโยชน์ไม่ได้แล้วนะวางไว้ในใจของตน แปเอาของภายนอกคุณไม่ว้ในใจทั้งหลายเอาเพื่อทำเพื่อสมไว้ในใจเราจะเอาการงานคุณไว้ในใจธุราธมาที่ของชาวบ้านไม่ว่าในใจคิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงเรื่องภายนอกคุณม่ว่าในใจเอาเราน่าเป็นสาระนะ เราขายของพุทธาประสงค์สาธารณะเร้เอาของนอตไปสาธารณะเป็นที่พึ่งนเรื่องว่าพิษความหมายและความประสงค์คอมันในศาสนาซึ่งสงคนตั้งมันเป็นคูตัวอย่างของชาวบ้านเราตั้งมันในพุทธาประสงค์ไหนนี่เป็นโาที่ซึ่งมัเป็นตัวอย่างของ ถ้าชาวบ้านครวา่าสามารถจะทําได้อย่างนั้นก็เป็นของดีเลิศประเสริฐกลัวพระเจ้าประชุมไปอีกเขาว่ม า, วามีการยุ่งยากลําบากหลายอย่างมีภาร ะ, ะหลายอย่างเมื่อคนจากภาร ะ, ะนั้นไม่อยากค้นจากภาร ะ, ะนั้นตั้งใจถือพุทธสามพระธรรมประตั้งใจเขานับถือจริงจริไอ้จัง เลยถึงคุณพระรัตนไกรในตัวเลยดีกว่าพระเจ้าพระ ส, งสรงศึกษาปาะเด็นทางหมดเพราะนั้นท่านยังพูดไว้ว่าอรอยิยสงสารโกไม่ใช่หนีเสพพระไม่ว่าสกุลบัจจการจะมีนรืนไม่เอาละศาสนาเรืนี้ทั้งใจทั้งความสงบจะสงบไปวิธีได้ก็เอา คือสงบเปิวิธีพุทธโธป ร, ริการพุทธโธก็เอาหรืออนาปารจติก็เอาหรือแม้แต่โอมะโอมะภาษ า, ศ า, ศาหนายางเขายเรียกว่าโอมะพิจนาโอมะมันก็ลงเหมือนกันมันเรียกว่าเพราะ า, านากรรมฐานถ้าหากไม่ลงแล้วอะไรทั้งหมด มันก็ไม่ลงเหมือนกันจะภาวนาอะไรก็เอาถเถอะแต่สมัยครั้งก่อนทางพุทธการถ้าไปภาวนาอยู่ริมสระน้ำเห็นนกอยยางชิจ้าถ้าเป็นอารลงก็เลยสงบมังก็ได้ คิตเง อ, อ, อย่างคิดปล่างจสงบได้ยั่งอือระนางจะได้ยังไงยังไงสงบนางพระจาจาราไอ้นางพระจาจาราเขาแสงเทียนเป็นอารมณ์พะนาแสงเทียนมันรับเับรับบตั้งขึ้นแล้วมันย้อนยับและยับลบงมา มันก็โกงแนวจันไปอีกมือด้านจะยับครับลงมามันจะดับนี่มันได้ไม่ดับแล้วก็โงไปอีกมันอยู่อย่างนั้นถ้าแสงเทียนน่ะเป็นอารมณ์ท่านก็ลงกรรมฐานได้ต้อคิดตัวสิต้องแสงเทียนนั่นไม่มีอะไรเป็นซค่องอยู่มันียบขายของท่านต่างหาก มันย้อนยับนะาเจ้ายับมันดับมันจะดับลงมาแหละเรียกว่ามันจะดับแล้วมันก็กงเงี้วมันไปอีกเรียกว่ามันเกิดมันก็เกิดดับก็ดับนั่นเองมันเนียบหายของท่านจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่เราพิจารณาว่าเนียบหายหนึ่งของท่านที่นี้พิจารณาถ้ามีเนียบหายภายในแล้วมันไม่ลงเด็ดขาด แลวพานาถึกเสียงสักก็ว่าพอให้แล้วมือแล้ววันพอให้แล้วกาลเวลาไปต้มีเยียกหายที่จะนาให้มันลงได้ก็ใช่ไม่ได้เพียงเห็นนั่นจริงว่าเอาเธอจะเอาได้ก็เอาเธอะถ้าลงได้เราก็ใช้ได้ทั้งนั้นการที่จะถึงธรรมะ ม, มันต้องถึงความสงบก่อน ความสงบความสงบเป็นต้นเหตุของธรรมะถ้าได้ธรรมะหรือถ้าไม่ได้ความสงบธรรมะก็ไม่เกิดยุ่ง่นี้ น, นึ่สงส่งนั่นส่งนี้มันจะได้แต่เพียงแค่ส่งมันนะไม่ใช่ธรรมะธรรมะของพระพเจ้าเป็นความสงบธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสันติเข้าถึงความสงบ ล้องพาคันทำตั้งจิตกําหนดที่เจ้หนายอารมณ์มันสั่งที่อธิบายมั้สั่งแล้วซึ่งมนารณาปารสติหรือมารณาสติ ม, มารณ า, า, า, า, าสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดอะไรทั้งนั้นถ้ามันลงมารณ า, าสติแล้วมันก็หมดเรื่อง คือความจางมันจะมีอะไรเหลือในนึกของเรามันตายไปหมดเรื่องของเราเลยมันไปคิดนึกอะไรอวันสิ่งโน้นจะมี้มันก็ไม่ได้อะไรอวันมันก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่เสร็จของเราเราจะต้องละทิ้นไปเป็นธรรมดาจึงว่ามารดาเรือปุ๋ยเป็นคนสำคัญ หนถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกมันเมื่อไหรจิตมันวางมดมันเหลือแต่จิตอันเดียวนั้นก็เป็นสมาธิมาดิมันไม่วางมันจะละไอมันจะยึดกจะถือแรงมันไม่เป็นอของเราทัหมด เราเห็นดีๆอยู่เห็นจะชัดอย่างนี้เลยมีเงินมีทองเข้าของสัมปัตติวระฐานถึงว่ามีลูกหลานในในบ้านในเรือนแต่บ้านแต่เรือนกันต่างเราจะต้องทิ้งเขาถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วแต่ทิ้งเขากันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงที่สุดของกระฐาน ถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวข้องอะไรตอเถิดเพราะว่านาไม่หลุดอาลังนี้อะไรทั้งหมดมดก็มาถามอาจัรงหมดเกี่ยวข้องกับพานมั้ยไม่เป็นหรอกพ่อนาพ่อนาจิตต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งตวงหมดอารมณ์ตวงมดถ้ามันน้อยยังไปถอยยงไป ให้มันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟังมามากก็มากก็เพื่อให้มันขัดเก่าให้มันถ้ามันลงอันเดียวนั่นเองมันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไวให้ได้มันจะเข็มออกจากกันน่ะเข็มวลาทั้งหมดมันจะออกจากอันเดียวเลย เราไปมัวเมาจะคิดนึกสงสัยอนน้นอันนี้อะไรต่างๆมันจะเก่งกรรมฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะคิดอันนั้นจะชอบกรนี้แสงน้อนี่นนนไม่ชอบอะไรต่างๆก็เลยวุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนกรรมฐ า, า น, นน้อยๆบางคนมาให้ถูกรจริติศให้ขันหน่อยให้สุข ร, ริศสงบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกัน น, น่ะอะไรมันจะถูก มันทำไม่ละไม่ถูกตรงนั้นไม่ชิงไม่ถอนไม่ถูกั้งหมดมันมากพอแล้วคนเราคนคิดความนึกการตัดสินใจมันมากมาหรือว่าใจกำเนิดจริงว่ามันของเรานั้นมันหุ้มต่อปกปิดอยู่ทุกวิธีทาง ขางที่ศัสละของที่ส่วนทิ้งสิ่งนั้นเราหามาเรทิ้งเวลานี้เลยตัวาจากา่าในเวลานี้ถอนเวลานี้จากฆาในเวลาจากฆาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าถูกเาจะฆ่าศัดสละนั่นเองพระองค์นีเทียงจะหนาจากโภตที่มีสกปกมุติอนยโย ถ้าสพระอะคืนของเก่าคือจิตใจเป็นยังไงมันกังวลเกี่ยวกับอะไสิเนี่ยคืนไปซะคืนมหาวันซะคืนมหาของเก่าซะเาเป็นตัวของเราโยธาโกปฏิสะโกมุตติอนนาลโยพ้นนะดึงค้นแล้วจะไม่มีอายอวบนามาราสติไปเป็นตัวอย่างแล้วพิจารณาอะไรก็พิจารณาเอ เาพิจารณาณาปางสติเป็นตัวอย่างในที่นี้พิจารณาณาปางสติวันนี้อาพิจารณาณาปางสติอะไรเอาเป็นอารมณ์ณาปางสติจะไปเอาแต่ณาปางเฉยใช่ไหให้คิดถึงว่าให้คิดถึงว่าทำให้ท่านจะเกิดหรือไม่มันละทิ้งไปโดยลำดับเกิดมาละเด็กกลายเป็นหนุ่มละไปแก่ละไปละไปเท่าละไป